สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงกดข้อที่สามของ20กดทองคำครับกดข้อที่สามนี้มีชื่อเรียกว่ากดทองคำหรือกฎแห่งทองคำครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาในวันนี้นะครับผมขออนุญาตทบทวนเล็กน้อยครับกดทองคำา20กดนี้เราพูดไปแล้วสองกดครับ กฎแรกก็คือกฎแห่งการแบ่งปันกฎที่2คือกฎแห่งภายในและในเช้าวันนี้ครับเป็นกฎข้อที่3คือกฎแห่งทองคำพระเจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 7: จ็ข้อสิครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคําสั่ง ของบรรดาผู้เผยพอวจะนะกฎข้อที่3นี้มีชื่อว่ากฎแห่งทองคำกฎข้อนี้มีคุณค่าเหมือนทองคำแท้ครับกฎทองคำได้กลายเป็นสํานวนหรือคำที่นิยมใช้ของคนทั่วโลก Golden Rule กฎทองคำข้อนี้ที่เหมือนข้อที่3เป็นจุดรวมยอดของจริยธรรมในพระกมภีร์ทั้งหมดถามว่าทำไมถึงเป็นจุดรวมของยอดจริยธรรมครับเพราะว่าข้อ1ครับ กฎทองคาข้อนี้เป็นจุดรวมของจริยธรรมทั้งหมดในพระคัมภีร์พระเยซูตรัสว่ากฎทองคำนี้คือธรรมบัญญัติและคำสั่งของผู้เผยพระชนะซึ่งเป็นตัวแทนของพันธสัญญาเดิมทั้ง39เล่มจุดรวมจุดยอดนี้คือกฎทองคมครับในพระคัมภีร์นะครับได้พูดถึงเรื่องของคำสั่งสอน นั่นหมายถึงธรรมบัญญัติและผู้เผยพระชนะธรรมบัญญัตินั้นเป็นของโมเสสครับผู้เผยพจะนะนั้นเป็นของพวกบรรดาประกาศศผู้พยากรณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เดิม39เล่มก็จะมีแบ่งเป็นสาหมวดพี่น้องคงจําได้นะครับก็คือหมวดประวัติศาสตร์หมวดวรณคดีและหมวดผู้เผยพ ร, รนะและธรรมบัญญัตินั้นของโมเสสก็เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในหมวดประวัติศาสตร์ครับและก็ ผู้เผยพระนะก็เป็นอีกบทหนึ่งที่มีความสำคัญพี่น้องครับการเน้นหนักในการแสดงออกมาทําให้ทั้งสองนี้มีค่าเท่ากันมีคุณค่าเท่ากันนั่นหมายความว่าคือพระเยซูบอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคำสั่งของบรรดาผู้เผยพรจะนะพระเยซูสรุปคาเดียวครับรู้ชัด รู้จริงเห็นชัดเลยครับว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั้นเป็นกฎทองคำเป็นกฎทองคำที่พระเยซูสรุปให้ฟังเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆครับทําให้คนทั้งหลายยอมจำนนเพราะอะไรครับท่านศาสนาจารย์ดร์ฟลิปเพงอธิบายต่อไปในส่วนของกฎทองคำํำ ในซ่อนของความเป็นผู้เริ่มกระทาภาษาอังกฤษใช้ขยายความนะครับผมขออนุญาตขยายความคือคำว่า subjective กฎทองคำนั้นได้สั่งให้ผู้ที่ถือกฎนี้เป็นผู้เริ่มต้นปฏิบัติครับพระเยซูไม่ได้ตัดว่าคนอื่นปฏิบัติต่อคุณก่อนแล้วคุณค่อยปฏิบัติดีตอบแทนไปแต่พระเยซู ว่าจงปฏิบัติตัวให้ดีต่อผู้อื่นก่อนปฏิบัติอย่างไรครับอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือเรียกว่าเป็นกฎที่เป็น subjective ครับ subjective แปลว่าเป็นประธ า, านเป็นผู้กระทาครับประธานเป็นผู้กระทาไม่ว่าเราจะปรารถนานะครับอะไรก็ตามที่มาจากคนอื่นเราต้องทำเราต้องเริ่มก่อนนี่คือสิ่งที่พี่เยซูทรงสอนครับ พระเยซูไม่ได้สอนให้เราเพียงแต่คิดในใจนะครับแต่พระเยซูสอนให้เรากระทำออกมาด้วยพระเยซูไม่ได้ให้เราตอบสนองที่คนอื่นทำอย่างไรกับเรานะครับแต่ว่าให้เราเป็นผู้ริเริ่มที่จะกระทำครับให้เรามั่นใจแล้วกระทำออกมาครับแสดงออกมาคำสอนที่เรื่องชื่อลือชาของของชื่อนะครับคือบอกว่า ท่านบอกว่าสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการอย่าเาไปให้คนอื่นมุมมองนี้เป็นมุมมองลบครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาก็อย่าไปให้คนอื่นแต่พระเยซูสอนกฎทองคํานี้บอกว่าให้เราเริ่มต้นที่จะเป็นผู้กระทำสิ่งที่เราปรารถนาที่จะให้คนอื่นกระทำต่อเราความสำคัญต่อไปครับศา ส, สนาอาจารย์ดรฟิลิปเทงได้ให้เรารู้ว่า จุดกำเนิดหรือการกำเนิดของกฎทองคานั้นคืออะไรสืบเนื่องจากที่กฎทองคากำเนิดจากการที่ผู้กระทำนะครับเป็นผู้เริ่มต้นนามาถึงการสร้างสรรกฎทองคานี้เมื่อเราเป็นผู้เริ่มต้นไปทำดีกับคนอื่นแล้วก็จะเกิดการกระทำสองอย่างเกิดขึ้นมาครับหนึ่งคือได้ทำลายความเลวร้ของวงจรการผูกมัดคือเอาความชั่วตอบแทนความชั่ว นะครับเราได้ทำลายวงจร น, นี้แล้วอันที่2ครับเราได้สร้างเหตุผลใหม่ก็คือการหว่านเมล็ดพืชใหม่ที่ดีเกิดผลใหม่นั่นคือวงจรที่2ครับมีการหว่านมีการโตมีการเกิดผลและมีการเก็บเกี่ยวใหม่นั่นคือการทำลายของเก่าและสร้างสรรสินใหม่ครับในการสร้างสรรสิ่งใหม่นี้ ทำให้เรามีวงจรใหม่เกิดขึ้นเป็นวงจรแห่งพระพรนั่นเองท่านยังได้พูดถึงประโยชน์ของกฎทองคำที่ได้ยื่นออกไปนะครับยื่นออกไปถึงคำเทศนาบนภูเขาครับมีอยู่สามข้อพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราได้แค่ข้อเดียวนะครับและในวันพรุ่งนี้เราจะต่อข้อที่2และข้อที่3าต่อไปท่านยกตัวอย่างกฎทองคำที่ได้ยื่นออกไปแสดง ถึงคำสั่งของคำสอนบนภูเขาหรือคำเทศนาบนภูเขาคำเทศนาที่เกี่ยวข้องแรกก็คือมัทธิวบทที่ห้าข้อสาาพระเยซูตรัสสอนบนภูเขาดังนี้ว่าถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยพี่น้องครับอันนี้เ็าเรียกว่าเป็นคุณธรรมของทาตครับในสมัยก่อนนั้นทาต จะถูกทำอะไรก็ได้จะถูกตบถูกตีพี่น้องครับคุณธรรมของทาสหรือจริยธรรมของทาสตบแก้มขวาแล้วปกติคนจะต้องหันหลบไม่ยอมให้แก้มซ้ายถูกตบแน่แต่คำสั่งของพระเยซูบอกว่าก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยคำคำนี้ครับ มีความหมายเฉพาะลึกซึ้งมากครับ3ประการด้วยกันประการแรกครับความเข้าใจตึกซึ้งจากคําว่าตาแทนตาฟันแทนฟันซึ่งเป็นการตอบสนองอย่างธรรมชาติของชาวโลกและนี่คือลัทธิแห่งการแก้แค้นครับเป็นความคิดของแก้แค้นเนื่องจากมีความขับข้องใจมีความเดือดร้อนมีความลําบากยากเย็น มีวิกฤตต่างๆที่คนอื่นสร้างในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมันต้องตาแทนตาฟันแทนฟันครับเป็นลัทธิแห่งการแก้แค้นลัทธิแห่งการแก้แค้นนั้นเป็นการแสดงออกแบบเด็กๆครับเพราะการแก้แค้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตลอดนิรันดร์การความคิดแบบเด็กๆก็คือว่าเธอตีฉันฉันตีเธอนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันพี่น้องครับ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครับยิ่งแก้แค้นก็ยิ่งแก้ยิ่งลึกยิ่งแก้แวดวงก็ขยายกว้างขึ้นกระทบกว้างขึ้นส่งผลกว้างขึ้นจากเริ่มต้นคนเดียวยืดไปสู่ครอบครัวขยายไปจากครอบครัวขยายไปสู่เผ่าพันธุ์จากเผ่าพันธุ์ขยายไปสู่ประเทศชาติจากประเทศชาติขยายไปสู่สีผิว จากสีผิวขยายไปกลายเป็นสงครามพี่น้องครับการกระทำของการแก้แค้นมันจะเกี่ยวพันไปถึงผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสร้างผลกระทบสูงครับขยายวงไปเรื่อยๆผู้ที่ไม่มีความผิดก็โดนเหมือนกันปอดศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นพยานในเรื่องนี้เวลาที่มีการแค้นเคืองกันต้องการเอาชนะฆ่าขานกัน พี่น้องครับมันก็จะเป็นเหมือนกับโซ่ครับโซ่ที่ผูกมัดมนุษย์อย่างแน่นหนาเลยทีเดียวและการแก้แค้นสำเร็จนะครับยิ่งเป็นโซ่ที่ผูกมัดยิ่งแน่นครับและเป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนที่น่ากลัวมันย่ายีมนุษยาชาติซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่พระดำรัสของพระเยซูเจาะจงในสถานการณ์แบบนี้ครับ ส่งช่วยคนเป็นอันมากให้รอดพ้นออกจากบ่วงแล้วของมารซาตานได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าเอาตาแทนตาอย่าเอาฟันแทนฟันแต่ว่าเราจะต้องให้อภัยครับต่อไปจะเป็นเรื่องของคนที่ตบแก้มขวาถูกตบแก้มขวาหันแก้ม้ายตบมันเป็นการแสดงออก ถึงความกล้าหาญอย่างมีคุณค่ามากผู้ที่ดำเนินชีวิตตามคําสอนนี้เป็นผู้ที่กล้าหาญมากครับกล้าที่จะเอาความรักไ ป, ปเผชิญกับความเกลียดชังความโหดร้ายเมื่อเขาหันแก้มซ้ายไปให้ตกอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจำยอมครับแต่เป็นการโต้ตอบที่ท้าทายและเข้มแข็งแข็ ง, ข ง, ขงแกร่งที่สุดแข็งแรงที่สุดเป็นการท้าทายที่เจ็บปวดที่สุดคนที่เอาความดีตอบแทนความแค้นของคนเกลียดชัง ผู้นั้นไม่เพียงแต่เป็นผู้กล้าเขายังเป็นผู้มากด้วยสติปัญญาพี่น้องครับคงจือ้อคงจือ้อคัดค้านการเอาความดีตอบแทนความชั่วท่านกล่าวววาอย่างนี้ครับว่าเอาความดีตอบแทนความแค้นแล้วจะเอาอะไรตอบแทนความดีพี่น้องคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเอาความดีตอบแทนความแค้นแล้วจะเอาอะไรตอบแทนความดี ตอบยากมากเลยใช่ไหมครับของชื่อก็คัดค้านเรื่องของการเอาความดีตอบแทนความชั่วเพราะว่าท่านยังอยู่ในเหตุแวดวงของการมีเหตุมีผลครับแต่พี่น้องครับหน้าทึ่งทีเดียวพระเยซูของเราองค์พระเยซูคริสต์ของเราทรงอยู่เหนือเหตุผลทรงนำเราเข้าสู่อาณาจักรของความรักครับเป็นอาณาเขตที่สูงเ พ, พราะพระองค์ทรงทราบว่าในโลกนี้ไม่มีเหตุมีผลหรอก จำเป็นจะต้องเข้าสู่อาาเขตหรืออาณาจักรที่ไม่กล่าวเรื่องเหตุผลแต่กล่าวเรื่องความรักเท่านั้นครับจึงจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้โลกของเรานี้เป็นเขตแดนที่กล่าวเรื่องเหตุผลไม่กระชากแจ้งในโต้แย้งถกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดครับทางเดียวที่จะคุยกันได้ก็คือใช้ความรักนํา ประเด็นต่อไปของคำอธิบายที่ว่าถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่เข้มแข็งครับพี่น้องครับผู้ที่ดำเนินชีวิตตามคำสอนนี้ยอมรู้สึกทราบซึ่งในใจว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ชนะเพราะว่าแผนการของพระองค์นั้นคือความรักเพราะเขาจับจ้องอยู่ที่สุดท้ายคือชัยชนะเพราะฉะนั้นเขาจึงมองท่าอุปสรรคที่เป็น ช่วขณะหรือชั่วครั้งช่วคราวดังนั้นเองครับคำสอนที่เราทั้งหลายมักเข้าใจผิดกลับเต็มไปด้วยการสร้างสารรค์และเป็นสติปัญญาที่เกินกว่าคนธรรมดาจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการที่เราดูเหมือนจะเสียเปรียบนะครับดูเหมือนเราจะเปลืองตัวดูเหมือนเราจะเจ็บเจ็บซ้ำเจ็บซากนะครับเวลาที่หันแก้มซ้ายซึ่ง เขาไม่ได้ตั้งใจจะตบเราครับหันให้เขาตบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราถูกเขาตบแล้วข้างนึงก็คือแก้มขวาแต่การที่หันแก้มซ้ายให้เขาตบนั้นมันแสดงออกถึงการไม่แก้แค้นมันแสดงออกถึงการที่เราจะสัแดงความรักมันแสดงออกถึงเรื่องของความกล้าหาญที่มีคุณค่าสูง และมันเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่เข้มแข็งครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราจะอยู่ในโลกของที่ว่าอยู่เหนือเหตุผลครับเพราะว่าวงจรนี้เป็นวงจรแห่งพระปรถ้าเราอยู่เหนือเหตุผลตามการทรงนำและสิ่งที่บันทึกคาสอนในพระคัมภีร์ครับอาเมน